ข้อที่สิบห้านครับข้อที่สิบเก้าทิ้งสือรูปใดถึงการซื้อสิ่งของต่างๆด้วยรูปยะาทั้งที่ถอมเป็นรูปประพันแล้วและยังไม่ไดทําหรือขายสิ่งของต่างๆของของตนและเอารูปยะาต้องเอบัตรตาจิตตีที่มีการเสียงสนับเป็นวินัยก่อ น, นี่ดูตามจำต่อแรกคร่าวๆคำหนึ่งคําว่ารูปียะใ น, นที่นี้ได้แก่ทองคําเงินตราต่างๆที่ใช้เป็นมาตรฐ า, านคิดหายได้นะครับอันนี้นะ<ช>ก็ง่าย<ช>ๆว่าเราเอาเงินเอานทองเนี่ยนะครับไปซื้อเอาของมาใช่ไหม<ช>หรือ<ม>ว่าเอาของเรามีอยู่นะไปขายเอาเงินมานะครับทั้งสองกรณีเลยนะเ ป, ป, ป็นอาบัติสิกเยาไปดีเหมือนกันนะครับเนี่ยว่าท่านตามมาได้ต่อแรกนะ ถ้าเป็นตัวสิสสคีที่ร่ำนะนะครับแต่ยังไม่เห็นทุกคน่ห็นภัยนะก็เอาเงินเลยนะครับไปซื้อมือถือซื้อบมาซื้อทีวี ซ, ซ, ซ, ซ, ซื้อบริการต่างมาครับทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยเป็นนิสกคีทั้งหมเนี่ยครับหรือว่าของที่ว่าท่านมีนะครับท่าอาจจะมีเครื่องฟังนะแต่อยากจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็เลยขายเครื่องที่ไมาแล้วก็เอาเงินมาใช่ไหมอันนั้นก็เป็นนิสสคีนะเป็นรถไฟกีวี่ต้องเสียจาของนะั้ นก็ไม่ยากนะจะไปซื้ออะไรมาก็แล้วแต่นะจะไปแรกถ้าเรามีเงินนะครับไปซื้อทองใช่ไหมซื้ออะไรนะ่ะสร้อยทองทองคําอะไรนะครับก็บอกว่าเร า, ามีนิติคีย์วัตถุนะารซื้อทิติคีย์วัตถุด้วการเอ่อสร้อยทองไปสร้อยมาทองมาครับหรือไปซื้อวัตถุทุกตกมีแก้วมุกดาแก้อนะไรพวกนี้น่าหนัาตานะครับหรือว่าไปซื้อ เรียว่าไปซื้อนะครับขอนทีผมควรกับพิยววัตถุมาเลยนะก่อนต่ออันบาทนะครับนี่เรามาต้นบรรยัติว่ามาจากใครนะ ค, ะนนนนะคะนรัรอรบอยู่หน้าต้อนบรรยัตนะครับหน้า 95.7 ก็งศิยปวาสิุขางัิถีาเรื่องประัพพระคีโดยสมัยนับเมว่าพระพุทธเจ้าประทัมอยู่หน้าพระเศียรตะวัน อาลาของนาธรรมมิการข้ามบดีเสร็จพระนครสามนาทีครั้งนั้นก็จะบังนทีถือความซื้อขายด้วยรูปียะมีประการต่างๆชาวบ้านทางําแพ่งทอดติดเตรียมบท น, นาว่าฉนัยพระสมณพระเชษสายปัชยกายบุตรจึงได้ถือความซื้อขายด้วยรูปียะมีประการต่างๆเหนือนพวกคลิหัตผู้บริโภคการล่องที่สุดทั้งหลายมีชาวบ้านเหล่านั้นแท่งทอดติดเตรียมบทนาอยู่บรรดาเนี่ยพวกมัง น, น้อย เตรียมบทนาว่าหนักษัตริย์วีจึงได้ถึงการซื้อขายหมุดย่างประการต่างๆเล่าและการเลื่อนน้นแบบพระพาณาจายพระพุทองค์ก็ประชุมสงรงสอบถามทรงติดเตรียมกษัตริยีแล้วก็มายาสิขาบทนี้คือการถ้าเขาจะพูดเร้่องอะไรนะไอทองคเมื่อกี้น่ะทั้งที่เป็นรูปแบอคและไม่ใช่รูปแบบคาใช่ไหมครับ ที่เป็นรูปรพันธ์ก ok ็คือที่ทําเป็นเครื่องประดับนะครับทําเป็นสิ่งของใช่ไหมทำเป็นเครขึ้นประดับศีรษะเครื่องประดับเอวครืงประดับคอเประดับมือครับครื่ประดับเ้าเป็นต้องที่ไม่ได้เป็นรูปรพันธ์คือยังเป็นแท่งอย่นครับเป็นทองเป็นแท่งมาอยู่เลยนะนี่แหละแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนซื้อขายก็โดนอย่างนั้นอันนี้ถ้าไปหน้าเสลี่ยนซื้อขายแล้วทำยังไงครัวิธีการเสียหนักก็เหมือนเดิม ให้มาเสียสลากในถ้ำปรางสงเท่านาั้นนะครับมาเสียสลากแบบที่เสียสลาเงินทองเลยนะคือตอนนั้นมีการนะครับคุยกันว่าเอ๊ะแล้วของที่ไม่ใช่เงินทองต้องทำยังไงพรในสิทธาบทที่พูดถึงการเอาเงินทองไปซื้อข้าวซือของมาเนี่ยและเวลามาสาัะเขาก็พูดว่าให้มาสายท้าปรางสงเหกันนะครับวิธีการก็เหมือนเดียมกันเลยนะ ที่ว่าไปสายทากลางสงายโอมมาก็บอกว่าจงรู้สิ่งนี้แล้วก็ไปอะไรเข้าหาสิ่งที่สมครมาให้นะก็มาสาันดุงนั่นสันไม่ได้อะไรที่มึงชอเหอมือนกันหมดเลยนี่ครแต่ว่ามันจะมีอย่างหนึง่งว่าเกี่ยวกับการทิ้งเนี่ยมันจะมีหลคําว่าสมมติพิสุพูดทิ้งรูปียคือทิ้งเงินทองไม่มีเขาสมมติพิสุพูดทิ้งสิ่งของที่ซ้มดเงินทองเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในงานสมณะไม่ในปีนั้นที่วัดจาดงท่านก็บอกว่าไม่จะเป็นต้องทิ้งก็อาจารย์จว่าอย่านี้นะมันไม่มีคำทิ้งสิ่งของเหล่านี้นะครับไม่มีนะสมัยก่อนที่ทำกันหนักขนาดนี้เลยนะข้ามางสวรัขามการส่งมาที่ก็เผาทิ้งเลยนะครับจีวรปริศกีซึ้อมาใช่ไหมก็เผาทิ้งเลยนะครับบางก็เปื่อยลงเหวเลยไี่ว่าซาบ้าเปื่อยใช่ไหมข้าวของอะไรก็แล้วแต่ซื้อมาเปื่อยลงเหวหมดเลย สอย่างนี้นะขนาดนั่งเลยถ้าสมมตงยืมมาแล้วกคืเจ้าของไปครับครับจะาของไปทีนี้นะท่านก็เลยมีันกับว่ามันไม่มีนะไอ้คำสูงสุดผู้ทิ้งสิ่งของที่ซื้อมามีวยปิยครับถ้าของนั้ไม่ใช่เงิองนะแล้วก็ทํากันยังไงแล้วก็มาทํากันที่หลังก็มาทํากันในการสนะให้โยมไปให้โยมพ่อโยมแม่นะ ให้พยาบจกรก็ได้แต่แต่ในรพยาบาลจิตกรอาจารย์เขาบอกว่าที่ให้ของได้นะมันมีแต่การทํายาให้ใช่ไหมครับที่เราเรียนมานะในข้อนี้มันไม่มีให้วัตถุเข้าวของเดยดตรงให้พยาบาลจิตกรไม่มีนะครับให้ข้าของก็ไม่มีนะมีแต่ให้หยิบให้ยาสารพัดได้แต่ถ้าเราจไปตระดให้กับพยาบาลจิตกรเลยเนี่ยเาบอกว่าให้ใช้คําพูดที่ถูก อย่าบอกว่าอจะมาเลาะให้โยกยกให้โยกล้วบอกแต่ว่าของนี่จะมาสลับแล้วมันเอาแล้วมันไม่ถูกต้องนะครับที่ไหนเ้วก็สลับให้ตรงนั้นแกก็รู้กับเอากับเองนะอย่าบอกว่าเนี่ยอจะมาให้โยกจะมามองให้โยกไม่ทำอย่างนี้เพราะมันไม่มีว่าจะให้ข้าของแกอวัยวะจิตกรอย่างนั้นใช่ไหมมีแต่ว่าให้ยาทำยาที่ได้อาจารย์ก็เลยบอกนี้ บอกเขาว่าเี่ยเราไม่เอาร่างผีวินัยของสลากคงอินออย่นี้นะครับเขาจะรู้ว่าจะถือไปเองใช่ไหมครับนี่มันก็มีที่ต้องสงสยัยอ้าวแล้วของที่สลากแตนแรกได้คืนมาเนี่ยควรหรือเปล่ามันไม่ใช่เงินท้องแน่ที่นี่นะและก็ไม่เป็นสนารท่ามกลางสองไม่ได้ยี่ที่ว่าใช่ไครับแต่ว่อขาเสนอให้โยไปตอนนี้มีนาฬิกาสารถ่าที่เดียวนะครับที่บอกว่าที่เขาได้ถือเอาไปแล้วนะได้คืนมาอันนี้ควรนะครับ มันก็ถือเอาไปเรียบร้อยแล้วสาสถาก็ถือไปแล้วเขาสวายขึ้นมาอันนี้ก็ขู่มันมีการเมีที่เดียวนะครับแล้วที่อื่นก็ไม่มีบอกไว้นะและที่อาจารย์ท่านตีว่าควรเพราะว่าไม่มีการไหค้านสีนี้นะครับธรรมนานี้ม่ติดไม่ถดงว่มีการเขาจะค้านสะะาหรับขั้นอะไรที่ทนี่ถ้าไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ค้าอะไรนะที่ว่าควรครับอาจารย์ก็เลยยึนมันติว่าคือใช้ได้ น, นะ เราสลับไปแล้วนะครับทันเป็นขนาดฐานะนะแล้วก็โยกถวายขึ้นมาครับก็ถือมาได้ต่อไปนะครับเรามาดูขอ้อธิบัติการั น, อนโอ้นี่สบายนะน่รักน่าไหนนะ อธิบายกายะอวิกยากกยะสิกขาบทกยายะก็ซื้อไงอวิกยายะเขาขายครับพึ่งสราบอธิบายสิกขาบทที่สืต่อไปคําว่านรักปการละกังความว่ามีประการมากมายเนื่องดยสินของที่เป็นกปัปยามีชีวเป็นต้น <c oughs> คําว่ากยายะกิกยังแปลว่าซื้อและขาย จริงอยู่เมื่อพิสุจน์ล้วเอากับปียขันของบุคคลอื่นโดยในนี้ว่าท่านจงให้สิ่งของนี้ผิดที่ผิดที่อีกพ่อนะร้อยสามสิบสี่เอาไว้ินะพ่อจ้าอยู่แลาวมีใครทาำพอเจอม่ใช่ไม่ใช่พ่อพอดีพ่อจ้างนะครับ ทิิบายรปยะสังบูหาราสิขาบทนะครับการแลกเปลี่ยนด้วยรูปยานะครับพึงทราบทิฏฐิบายถาบทิฆาตต่อไปคําว่าอ น, นัตปการและกังแปลว่ามีหลายอย่างเนื่องด้วยรูปียะที่ทําเป็นรูปผลพันธุ์อันนี้พันธุ์มันต้องออกพา เ, าเรือสองตัวแล้วก็นอเนเรืเป็นต้นคําว่ารูปยะสังบูหาราสคือการแลกเปลี่ยนด้วยเงินและทอง จึงอยู่ด้วยสิขาบทกร่รมกระ้าทรงห้ามการรับวัตถุที่เป็นนิสสคีและที่เป็นทุกตกด้วยสิขาบทนี้ทรงห้ามการแลกเปี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อพิสูจ์เอาวัตถุที่เป็นทุกตกพวกอะไรแก้วมันดีแก้วไพฑูตใช่ไหสังศิลาอะไรนี่เป็นต้นนะครับดูดิเป็นทุกตกย่อตัวอย่างมาอย่างหนึ่งแก้วมันดีของมีค่ามากนะ แลกเปลี่ยนกับวัตถุที่เป็นทุกกบนะคร Russians, ับ kind of pues แก nope. mm. ้มันนีไปแรกแก้วมันนีด้วยกันหรือแลกอะไรนะแกะไพน์นูลนะครับก็น่านี่นะดกันนะครับหรือกับป่ยงวัตถุก็ดีนะครับเราวัตถุที่แบนแบบทุกกดนะพวกรัตนานะครับที่เวนต์เงินทองไปแรกนะครับวัตถุที่เป็นทุกกบก็ดีนะหรือไปแรกกับป่ยะวัตถุนะครับแรกกิวอันจวจิวมานะก็ดี อาวัตถุที่เป็นกระพียนะครับแล้วก็สมองจีวรบาไลายบริไถสมควร น, นะแลกเปลี่ยนกับวัตถุที่เป็นทุกข์ก็ดีนะครับไปแรกเอาแก้วมานะแก้วมันี้นครับอันนี้ต้องระบาดทุกข์กดนะครับผมเขียนว่าให้ข้างหนาห้าอย้ว่าหนึ่งเอาแก้วเาว่าแต่หน้าหนะครับแก้วไปซื้อเอาแก้วมามีไปแรกเอาจีวรมาอันนี้ก็เป็นทุกข์กดพอกกกดกแก้ทุกข์กอดช่วแก้วมานนี้ไม่ใช่แก้วธรรมดาทั่วไปนะครับ องเาจีวร น, นะครับไปขายเอาโวกแก้วมานดีมาอันนี้ก็เป็นอาบัตทุกขก์นะครับาการต่อไปนะครับแต่เมื่อพิสูจน์อนิสัวยวัตถุเงินทองนะแลกกับอนิสัคยวัตถุนะครับตัวอย่างเช่นเอาเงินไปซื้อสร้อยคอมานะครับนี่เลยหรือว่าแลกกับกับี้ยวัตถุนะครับเอาเงินไปซื้อจีวรมาหรือกับทุกขก์วัตถุนะครับ ก็เอาเงินไปซื้อสอยไข่มกนี่นะเือนต้นครับแล้วเอาทุกกฎ ว, วัตถุนะครับทุกกฎ ว, วัตถุพวกแก้วนะหรว่าไข่มกแหละหรือกับเปียวัตถุนะครับจีวงีวอนแหะแลกกับนิกัยเียวัตถุก็คือไปโอ้ต่ยยตัวอย่างซึ่งไข่มุกหรือว่าีวอเนี่ยขายเอาเงินมานะครับต้องอนาบัตินิสกี้เปียปลาจิตติทั้งหมดเลยเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายนึงเป็นเงินเป็อนองไม่ได้นีครับนสก้ นะวัตถุนั้นควรสละในข้ามกลางสงตาวิธีในสิกขาบทกองและวัตถุที่สละแล้วก็ควรปฏิบัติโดวยวิธีที่กล่าวมาแล้วในสิกขาบทนั้นครั<ส><ส>บก็มาสายถ้ำกลางสงธรรมใ้ข้อก่อนสิกขาบท น, นี้มาพระเจ้าทรงเป้าที่จุชปรกีในมืงสามมณีทรงบรรยายนไว้ข้อเรื่องคือการแลกเปลี่ยนรูปียะ สิขาบทนี้เป็นภาสาชนะบัญญัตินะครับเอปิษุนีก็มีเหมือนกันนะคะับก็โดนนะมีผลอนนั้นติกะไม่เกี่ยวกับการใช้ถ้าใครไปซื้อกระขายไม่ก็โดเนเอครับะองค์อาบัตนะครั บ, ออ บ, ะะรบสิขาบทนี้มีองค์สองเหล่านี้คือหนึ่งสิ่งของที่ตนจะแลกออกมาหรือที่ใช้แลกเป็นลูกพีชนะคือไฟและไฟหนึ่งนะนะนะเป็นเงินและทองนะสองมีการแลกเปลี่ยนกัน แค่องสองเท่า น, นี้นะคระองค์ก็ต้องอา่านบทในสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้เป็นกิริยาต้องเขา้นานคาคําที่เหลือมีในดังกล่าวนั่นเองในสิกขาบทที่ผ่านที่ผ่านมาไปจบการอธิบายวิทยาสารบูหาดะสิกขาบทแต่ฟังนี้ไม่จบหรอกในที่กระทำในที่กระทำได้แต่อธิบายเนีอธิบายเกี่ยวบาบ บาทกี่ใบนะบาทห้าใบเนี่ยเพาว่าตรงนี้ถือถ้ามาถึงสิทธิขาบทนี้แล้วนะถ้าไม่ได้มาดีในเรืขข่องบาทห้าใบเนี่ยถือว่าพลาดโ อ, อ ก, กาสไปอย่างน่าเสียดายเลย